แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าสยองขวัญเนินผีเฮียนเปรตสยองขวัญสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่ออาร์ตครับอายุยี่สหกปีผมมีเรื่องเล่าเป็นประสบการณ์สยองที่ผมได้พบเจอกับตัวเองในสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเนินผีเฮียน ผมได้มาอาศัยอยู่กับภรรยาประมาณสองสาปีแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำไร่ทำนากันเป็นส่วนใหญ่ครับครอบครัวของภรรยาผมก็เช่นกันทั้งพ่อกับแม่ของภรรยาก็ทำไร่ทำนารวมถึงภรรยาของผมด้วยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งน้ำยังไม่ค่อยมีที่จะทำนาทุกคนจึงหันไปทำไร่กันหมดส่วนมากจะเป็นไร่ข้าวโพดซึ่งไร่ของคนที่นี่จะต้องขึ้นไปบนภูเขาแต่ตอนนี้ก็มีการสร้างทางเพื่อ น, นำรถขึ้นไปได้แล้ว ทุกๆวันครอบครัวของภรรยารวมถึงตัวผมต้องไปที่ไร่ข้าโพดโดยขับรถดัดแปลงที่ใช้สำหรับขนพืชผลทางการเกษตรผมและครอบครัวต้องไปไร่ตั้งแต่เช้าตรู่โดยผ่านเนินแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆวัดประจําหมู่บ้านเนินแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านเรียกว่าเนินผีเฮี้ยนซึ่งมีต้นมะขามขนาดใหญ่อายุมากกว่าร้อยปีอยู่ตรงเนินพอดีสาหรับขาไปผมจะขับรถลงเนิน เพื่อผ่านถนนคอนกรีตรอบทุ่งนาจากนั้นก็ข้ามสะพานและขับรถตรงขึ้นไปยังไร่ส่วนขากลับกว่าจะลงมาถึงตีนเขาก็ประมาณสองสามทุ่มและต้องผ่านเนินผีเฮียนซึ่งเป็นเนินทางขึ้นเป็นประจำทุกๆวันแต่ละวันที่ครอบครัวไปทํางานที่ไร่ก็จะต้องผ่านเนินแห่งนี้และไม่ได้พบสิ่งผิดปกติอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมเดินทางไปไร่แค่เพียงคนเดียวเพราะว่าพ่อของภรรยาป่วยจึงต้องเฝ้าไข้กันอยู่ที่บ้าน ผมจึงได้นำสุนัขสองตัวไปเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยขาไปก็ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งค่าของวันนั้นขากลับประมาณสามทุ่มกว่าจะถึงตีนเขาและต้องขับรถเรื่อยมาผ่านทั้งทุ่งนาและกว่าจะถึงตรงเนินแห่งนี้ก็ประมาณ20นาทีในตอนกลางคืนที่มืดมิดไม่เห็นแสงอะไรสักอย่างนอกจากแสงดาวบนท้องฟ้าและแสงไฟจากรถผมขับรถมาเรื่อย ระท่างถึงเนินผีเคี้ยนพอกลับพ้นเนินขึ้นมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อลายดอกเก่าๆใส่ผ้าสิ้นสีดํายาวจนถึงตาง ต, ตุ่มไม่ใส่รองเท้าลักษณะผมปล่อยยาวถึงกลางหลังตัวสูงใหญ่มากน่าจะราวๆเกือบเกือบสองเมตรดูด้านหลังและท่าเดินเหมือนสาประเภทสองแต่จะเดินตัวตรงและช้าๆเหมือนไม่มีวิญญาณตอนนั้นผมสะดุ้งตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีคนมาเดินนําหน้ารถแบบนี้และจะมีคนที่รูปร่างใหญ่โตแบบนี้ แต่ผมก็ตั้งสติเพราะคิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนี้ที่ผมไม่รู้จักก็ได้เธอเดินนำหน้ารถไปเรื่อยๆขณะที่ผมก็บีบแตรเพื่อให้เธอหลีกทางแต่เธอก็ไม่ยอมหลีกทันใดนั้นหมาก็ส่งเสียงเห่าและหอนสลับกันไปมาแต่เธอก็ไม่ได้หันมาหาผมแต่อย่างใดผมจึงจำใจต้องขับรถไปช้าๆพอไปถึงตรงสามแยกเธอก็เดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปในป่าอันมืดมิดโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร เมื่อผมถึงบ้านแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับภรรยาและแม่ของภรรยาฟังแม่ของภรรยาบอกว่าเนินแห่งนั้นมักจะเจออะไรแปลกๆเสมอหลายคนมักจะเจอผีผู้หญิงหลอกเป็นประจำและเชื่อว่าผีผู้หญิงตอนนั้นคือเปรตจำพวกหนึ่งที่หวงที่หวงทางคือหวงเนินแห่งนั้นนั่นเองเมื่อตายไปแล้วจึงไม่ได้ไปไหนคอยเฝ้าอยู่ตรงเนินและก่อกวนคนที่เดินทางผ่านบางก็ว่าเปรตต้นนี้ต้องการบุญก็เลยมาก่อกวน เมื่อทำบุญไปให้ก็รับแต่สุดท้ายก็กลับมาก่อกวนผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาเป็นประจำส่วนผู้หญิงที่ผมเห็นตรงเนินแห่งนี้แม่พรนยายังไม่ได้บอกเต็มปากเต็มคำว่าใช่ผีเปรตหรือไม่เพราะอาจจะเป็นคนต่างหมู่บ้านต่างถิ่นพลัดหลงมาหรือเป็นคนที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในหมู่บ้านก็ได้ตัวผมเองก็ยังไม่อยากคิดอะไรมากพระเท่าที่เห็นก็เหมือนคนทุกประการไม่มีส่วนไหนเลยที่บ่งบอกว่าเป็นผี เพียงแต่ผมยังไม่เห็นหน้าเธอเท่านั้นเองสัปดาห์ต่อมาผมก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปไร่เพียงลำพังอีกแล้วเพราะรอบนี้พ่อของภรรยาเข้าโรงพยาบาลจึงต้องไปเฝ้ากันทั้งบ้านส่วนตัวผมก็ต้องทำงานที่ไร่คอยดูแลไร่แทนครอบครัวเหตุการณ์ก็เช่นเดิมครับตอนเช้าขับรถไปกับสุนัขสองตัวส่วนตอนเย็นก็กลับมาในเวลาเดิมๆประมาณสามทุ่มเศษๆเห็นจะได้ และต้องขับรถผ่านเนินแห่งนี้อยู่ดีใ น, นจังหวะที่ผมเหยียบคันเร่งขึ้นเนินนั้นเหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเหมือนผมขับรถชนอะไรบางอย่างเสียงดังโครมพอเลยผ่านเนินจึงจอดรถแล้วลงไปดูว่าชนอะไรแต่ปรากฏว่ากลับไม่มีอะไรเลยผมสตาร์ทรถเพื่อขับต่อไปในระหว่างนั้นเองจู่ๆก็มีผู้หญิงคนเดิมโผล่มาจากไหนไม่รู้เธอเดินนําหน้ารถผมอีกแล้วใส่เสื้อลายดอกผ้าสิ้นสีดําเหมือนเดิมทุกอย่าง แล้วก็ตามด้วยเสียงหมาเห่าหมาหอนรับส่งกันตอนนั้นในใจผมชักเริ่มวันวันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้คือผีหรือคนผมจึงตัดสินใจบีบแตรเสียงดังปะปนกับเสียงหมาหอนไปเรื่อยๆแต่เธอก็ยังไม่ยอมหันมาหาผมก็ได้แต่ขับรถตามหลังเธอไปเรื่อยๆกระทั่งถึงสามแยกเธอผู้นี้ก็เดินเลี้ยวซ้ายเข้าป่าทึบอีกเหมือนเดิมแต่จังหวะนั้นเองครับหัวของเธอก็ค่อยๆหันมาทางผม โดยที่ตัวยังยืนอยู่ที่เดิมใช่ครับเธอหันมาแค่หัวเท่านั้นหัวของเธอค่อยๆหมุนหันมาช้าๆจนหัวของเธอกลับมาอยู่ด้านหลังในลักษณะที่ผิดมนุษย์เอามากๆทำอาผมแทบช็อกลูกตาของเธอสีขาวพรวนขนาดใหญ่เท่ากับลูกปิงปองมันถลนออกมานอกเบ้าเละเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าปากของเธอสีแดงสดฉีกกว้างยาวจนเกือบถึงรูหูจมูกบี้แบนติดกับหนังหน้า เธอจ้องมองมาที่ผมเหมือนจะไม่ชอบใจเท่าใดนักและเธอกําลังจะเดินมาทางผมด้วยความที่ผมตกใจสุดขีดจึงเหยียบคันเร่งจนมิด ร, รถเสียหลักไปชนรั้วบ้านของชาวบ้านแถวนั้นจนเขาต้องออกมาดูและถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมขับรถไม่ระวังเจ้าของบ้านก็บ่นบนแบบไม่พอใจแม้ว่ารั้วของเขาไม่ได้เสียหายอะไรมากก็ตามผมก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังเจ้าของบ้านทําหน้าตาตื่นตระหนกและพูดกระซิบกระซาบว่า มันคือเปรตตรงเดินผีเฮียนนั่นแหละชอบออกอารวาสเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะหากใครที่มาเพียงลําพังจะโดนหลอกเป็นประจำและเหตุที่มันต้องเดินเลี้ยวซ้ายไปตรงป่าทึบเพราะบริเวณนั้นว่ากันว่าเป็นวัดเก่าและทางเดินจะเชื่อมถึงตรงเดินนั้นด้วยมันจึงเดินวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นใครโชคไม่ดีดวงตกหรือมีเคราะห์ก็จะเจอกับมันแบบเต็มๆอย่างผมนี่แหละชาวบ้านคนนั้นไม่ได้บอกอะไรมากเพียงแต่บอกว่าให้ให้อยพระเป็นประจำอย่าถอดสร้อยพระออก และหลังจากนี้ก็ให้ไปทําบุญให้เปรตตนนั้นเพราะถ้าใครที่เจอมันก็แสดงว่ามันต้องการส่วนบุญจากคนนั้นนั่นเองเมื่อผมทราบอย่างนี้แล้วจึงขอตัวกลับส่วนชาวบ้านคนนี้ก็รีบเข้าบ้านทันทีพราะแกบอกว่าขนลุกพอผมขับรถถึงบ้านก็รีบโทรศัพท์ไปหาภรรยาที่เฝ้าไข้พ่ออยู่ที่โรงพยาบาลและเล่าเรื่องนี้ให้ฟังภรรยาผมก็บอกว่าผีเปรตตนนี้มีมาตั้งแต่สมัยทวดและยังไม่ได้ไปเกิดจนมันหายไปพักใหญ่ๆ ทำให้คนในหมู่บ้านคิดว่ามันน่าจะไปเกิดแล้วที่ไหนได้กลับโผล่มาอีกทําเอาผมกลัวจะไม่กล้าอาบน้ําไม่กล้าปิดไฟนอนต้องเปิดไฟนอนทั้งคืนเลยครับและในวันต่อมาผมก็ไปทําบุญให้กับผีเปรตตนนี้โดยการใส่บาตรในตอนเช้าและกรวดน้ําให้แต่ผมก็ยังไม่กล้าไปไร่คนเดียวต้องรอจนกว่าพ่อภรรยาจะหายป่วยเสียก่อนซึ่งหลังจากที่พ่อภรรยาหายป่วยผมและครอบครัวก็ไปไร่กันปกติทุกวันที่ผมผ่านเนินผีเฮียนเมื่อไหร่ ผมนี่ขนลุกไปทั้งตัวเลยครับพอนึกถึงหน้าเปรตตนนั้นทุกวันนี้ผมก็ไม่เจอเหตุการณ์สยองอีกเลยแต่ได้ยินข่าวมาเป็นระยะๆว่าผีเปรตตนนี้ก็ยังออกอาลวาดหลอกหลอนผู้อื่นอยู่จนถึงทุกวันนี้บางคนขับรถมาดีๆก็มารถเสียตรงเนินบางคนก็ขับรถชนอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผมเจอเลยครับเพื่อนๆล่ะอยากลองไปล่าท้าผีที่เนินผีเฮียนบ้างไหม หากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ